BOOK 2สี่สิบสองตัวจุดอระตัรการเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ ท่ามฟมาฟักหมบัตรซาร์รมลาลเจะท่ามฟมาฟักหมบัตซรรมละงานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะบลิปมฟมยรมลกมออฟเยส์แอบลิปมาฟักหมยิรมเลกมอามาฟมกมอฟเยนิทัศกาลเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ กูปจมาฟั ค, ห, ห, คห์ ม, มหก้าวเช้าวันครึ่รากอักอชะฮ์สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะบรัสกัจีมาฟัคห์มจอพาร์ครเจออัลกะ พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ ม, มาฟักมาฟัก a มมูซีร์ซอุฮ์มาฟักมาฟักหมมูซีร์ซอุฮ์หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะบรัสกัชมฟักลเลรีร์ซอุฮารัสกัชมฟักลเลรีร์ซอุฮ สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะสุรัเทพุ๊ขุชตสุรัเจี๊ยุขุชตช ต, ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะจาฮับพธนุชิตาจาฮับจจพธนุชิตะค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะจาฮับเจสุดฟัดิส จะหาจอสุดฟรจิสมีส <camera usted> ่วนลดสําหรับหมู่คณะไหมคะคุบเข้มกัฟจราห์กัชมีส่วนลดสําหรับเด็กไหมคะเจเลตุกมะกัฟจราหกมีส่วนลดสําหรับนักศึกษาไหมคะ studentham คาฟุจราห์ชะ studentham คาฟุจราห์ชะนั่นตึกอะไรคนะ m e r ส e d u n a m ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ moonam t a p s h e n u b ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะนูเนอร์คฮดจูช อ, อกรนเนอร์เฮดจูช อ, อกรดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมเซอาร์เคติคตูร์สกัส อ, อกรเซอาร์เคติคตูร์ออกอร์ดิฉันสนใจในศิลปรกรรมเซ สือคุรสกษอวัส่คุ้มรสักษอวัดิฉันสนใจในจิตกรรมสสุราษฎรสักษอสสุรรสษอ